ผ่อนคลายทั้งใจนะเราทำตัวแบบผ่อนภลายนะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออเราจะทำอะไรมันก็มันก็ง่ายเนาะเหมือนเราขี่จักรยานะนะเราขี่แบบสบายๆผ่อนคลายนะมันก็ไม่เกร็งไม่เมื่อยไม่ล้มนะแต่ตอนที่เราฝึกผัดใหม่ๆ แเราขี่จักรยานใหม่ๆคนไก็ล้มเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอเทีทยทเ่ยวผ่อนคายไอไอพอดีมันคืออะไรนะเราก็ก ล, ลัวล้มเราก็ก ล, ลัวเราก็เลยเกรงเกรงก็เลยเดือดร้อนนะเดือดีว่าไม่เป็นธรรมชาติก็เลยล้มหรือใครขัดขับรถยนตนะ์ครับขัดขับรถในซอยหรือในในสนามที่ไม่ค่อยมีรถนะมันก็ยัง เก่ ง, กงนะเกแบบเข้าเกียร์แบบไหนเป็นเหียบเก่งแบบไหมนแบบแบกโฟมอะไรแบบไหนเรนะ า, ก, าบบก็เกรงเราก็กลัวนะแต่ฟองขับไปเรื่อยๆไอนะ้ที่ไนะในที่ที่ต้องโลภเราก็กเกิดความมั่นใจมากขึ้นแต่พอออกไปเท้างนนมันก็กลัวกลัวกลัวก็ววว ข, ข้างๆกลัวนะไปแดง อันนี้คือเป็นธรมนธรมชาตินะธรรมชาติเวลาเราทำอะไรใหม่ๆนะเนี่ยอราจะรู้สึกส่นวนใหญ่จะกังวลกลัวหรือก็เกรงนี่เป็นธรรมชาติเวลาเรามาปฏิบัติธรรมใหม่ๆต้เหมือนกันนะมาอยากจะบอกว่ามันก็เป็นธรรมชาติที่บางทีเราก็รู้สึกว่ามันก็เกรงเกงกัง ว, วลหรือก็กลัวนะทำร่างกายก็ดีหรือว่านจิตใจก็ดีนะนะอันนั้น แน่ใจวสามามถกจะมาปฏิบัติใหม่ๆบางทีเราเรายังไม่รู้สึกค่อนคลายทั้งสถานที่อาจจะเป็นที่ใหม่ที่นอนเป็นที่ใหม่นะหรือบางคนรูปแบบปฏิบัติธรรมเป็นแบบใหม่นะหรือบางคนไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยมีไหมท่าแบบไหนนะันก็เป็นของใหม่สาหรับเรานะแต่ก็จะรู้สึกว่ากลัวท้างในไม่ค่อนคลาย แต่ก็อยากเหมือที่บอกคืออยากให้เราเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติของของคนคนใจก็เป็นแบบนั้นแหละนะมชาติคนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราได้ทํำบ่อยๆนะมันจะเกิดการเรียนรู้มันจะเกิดการเรียนรู้การทำนะการทํำภาษาอย่างที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะ <S <S หรือว่าภาวานาเราบอกองเรมาภ า, าวานาภาวานาความหมายจริงๆก็คือ พัฒนาพัฒนาหรือจะว่าอีกอย่างหน่คือว่าทำให้มากเจริญให้มากคือความหมายขอาว่าตภาวนาสมาธิทำให้มากจะเรินให้มากทำอะไรให้มากทำกรรมฐานให้มากจะเินอะไรให้มากจะเรินสิ่งสมาธิปัญญาให้มันเจริญขึ้นในใจของเราให้มาก อันนี้คือสารภาวนาดนะังนั้นถ้าเราเห็นความหมายของคําว่าภาวนาก็คือว่าเรามาตื่นให้จิตใจมันจเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาน ะ, จะเจริญ ม, ม, มันจะเจริญไน้ยังก็ต้องทําให้มากๆทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันนะแล้วมันจะเกิดการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะแต่ที่จริงนะมันก็มีได้ว่ า, าการทํากรรมฐาน ทั้งเรียกว่าปฏิบัติในรูปแบบวนะ่บางที่อาจจะนั่งสมาธินะที่นี่จะสอนวิธีไม่ใช่ของใหม่แต่จะเป็นของที่แปลกสำหรับคนใหม่ๆนะเรียกว่าเป็นการเจอสติแนวเคลื่อนไหวนะยกมือสิบสี่จังหวนนะเดินจงกลมก็ไม่ช้านะนั่งก็ไม่หลับตาไ่ไ ไม่ให้นั่งอยู่นิ่งๆนะให้หาเรื่องเคลื่อนไหวแล้วก็ให้ใจคอยรู้สึกนะทำใหม่ๆเราก็ใจรู้สึกผอมใสเคลื่อนๆะไม่เข้าใจนะอันนี้เป็นปอัตมาอีก็เป็นแบบนั้นนะนะอนมาบวชใหม่ๆประมาณสิบห้าปีที่แล้วนะที่บวชแล้วก็ไม่รู้หรอกที่วัดป่าสุขโ ต, โตขก็ขปฏิบัติทำแบบไหนเราก็คิดว่าที่วัสดสวน ที่ส um> ่วนใหญ่ก็คือนั่งหลับตาดูลมหายใจหรืออย่างมากก็บริกรรมมีพุทโธบ้างเราก็เคยฝึกอาณาปานสติมาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่สวยโมกใชายานะก็เคยฝึกมาบ้างเราก็นั่งปฏิบัติตนนั้นแต่พอบางกีเราก็ลืมตาขึ้นมาเห็นเพื่อน่งข้างเขานั่งยกมือสั่นเั็นหวะ นั่งรนะเราเนี่ยเห็นภาคที่ปวดวันเดียวกันนะ่นะนั่งนั่งเยกมือท่านจังหวัดนะออก็ไม่ค่อยใจนะก็ในรู้สึกระบบในใจก็นะทําอะไรนะมีอะไรด้วยกีปฏิบัติธรรมแบบนั้นกนะนะ็สงสัยนะสงสัย่บ้านแต่ก็ไม่เป็นไรเราเรานั่งเรานั่งแบบตาแล้วนั่งคัสมาธิเพชนะเรามือวางไว้ที่หัวเข่าสองข้างเนี่ย เ, เท่กว่านะ เจตนตานั่งยับเนื้ อ, อ, อมันก็แต่เราก็เห็นว่าพอทําเปพอพักเนินมันก็มันก็ได้ความสงบนะได้ความสุขหรือบ้างแต่ก็ไปต่อไม่เป็นนะตอนแรกเนี่ยเรายังโมนะ้เรายังไม่เข้าใจว่ามันจะต่อวิปัสสนาหรือว่าเดินปัญญาแบบไหนบางทีเราก็ทําก็ได้แค่ีแค่ความสงบนะสงบแล้วก็ออกมา แต่ความสงบก็รื่นวายนะก็สงบแล้วก็ออกสงบแล้วก็ออกบางวันก็สงบง่ายบางันก็สงบยากบางวันก็ไม่สงบเลยนะก็วันไหนสงบก็ว่าดีก็ว่าเราเก่งวันไหนไม่สงบก็ว่าเราแย่ก็ว่าเราไม่ดีนั้นถือถ้าเราทําให้เป็นมันก็ได้เป็นแค่ความสงบหรือไม่สงบนะแต่การแต่ตอนหนักก็เลยมาฝึก ย่อมมือแบบนี้แะอ่านสื่อมันก็เตรียมมีพอาจาันท่านบอกว่างั่นเป็นข้อคุณเขียนที่ว่าปาสุกโตท่านก็เป็นนักสึกษาของข้เตรียมนะท่านก็ย่อมมือท่านจะหแบบนี้นะนะี่ไฟจันเป็นสนี่ก็เหมือนกันให้ก็ทำแบบนี้น ะ, นะอ่่ก็เดี๋ยวลองทำดูนะอทำแบบไม่ต้องรู้อะไรมากนะลองทำดูนะแต่ก่อนก็ลองทำนั่งสมาธิ ต็แบบก็นั่งเย็บมือบ้างนะวันนี้ก็เดินจงกรมบ้างก็อ้องทำอย่างนี้เดียวนะมันเกิดมันเกิความรู้สึกว่าทาแบบนี้มนะันก็เป็นสมาธิในตัวนะนะแล้วมันเป็นตัวที่เด่นคือตัวสตินะแต่ก่อนเนะี่ยพอเวลาอฏิบัติธรรเราจกคิดถึงว่าต้องนั่งสมาธิต้องนั่งในความสงบแต่ ที่บรรดาสุขโตหลงข้อคงเขียนให้เน้นคาว่าให้มีสติให้รู้ตัวไม่สงบไม่เป็นไรไม่สงบให้เรารู้ว่ามันไม่สงบแต่เดี๋ยมเวลาปฏิบัติส่วนใหญ่เราจะไม่ชอบเวลาไม่สงบเราจะไม่ชอบอเราคิดว่งปฏิบัติแล้วมันต้องสงบมันต้องดีแต่ถ้าเป็นวิธีฝึกวิปัสสนาจริงๆนะฝึกเจอสติกันไหม ไม่สงบก็ไม่เป็นไรสงบก็ไม่เป็นไรสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้วิธีปุตสติการสติเป็นตัวคอยรู้สติคืออะไรสติคือความระลึกนะระลึกได้ว่าตอนเนี้ยเรากำลังทําอะไรสติคือแบบนี้นะเราจื่ึกได้ว่าตอนนี้เรากราดานนั่งอยู่ระลึกได้ไหมหรืออนาปัต การนัตสติก็คือการเลื่ได้ว่ากําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่เราเลื่รู้ลมหายใจะอันนี้คือสติหรือกายานุสติกนะเราเลื่อนต่อตายืยนเดินนั่งนอนอะไรก็ได้แบบนี้ยคือเราเลึกอนให้ได้ว่าเราเกําลังทําอะไรเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ของคน่ะคือเรามีกายแต่เราไม่ไมรู้จักกายตัวเองเข้าใจไหม เรามีใจทำนั่นทำนี่นะแต่ใจเราเนี่ยไม่อยู่กับกายเองเหรอไหมน่ะตอนเรากินข้าวจดสังเกตเลยใจเราเหน่ยวฟันกินถ้ากี่คำแต่ <c oughs> ถ้าเรากินข้าวไปดูข่าวไปฟังเพลงไปเอยเนี่ยคือในใจเราจะอยู่กับกับสิ่งที่เราเป็นฟังหรือไปดนนูข้า ง, งอนอกนะเยอะไหมบางทีเราก็อยู่กับความคิดน่ะตอนกางวันน่ะสังเกตไหมน่ะ ทำงานตอนเช้าเนะเบรกแเดียกินข้าเนะ น, นี่ยบางทีสนองมีแตเรื่องงานใช่ไหมเรื่องงานตอนเช้าหรือเรื่องงานที่จะทำตอนบ่ายนะใจเราก็ไปอยู่กับเรื่องทนั้นใช่ไหมหรือตอนนอนนะเก็ไม่ค่อยรู้ตัวในตัวเรียนว่ากำลังนอนเพราะบางทีใจเราก็จะไปโบกมุ่ง ค, คิดกับการงานกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในแต่ละวัน หรือตอ้องนรวมหน้าว่าปัจจุบันนี้คือต่อไปจะเป็นแบบไหนนี่คือปัญหาของคนส่ว น, นใหญ่อาตมาเองก็เป็นนะก็คือว่าตัวกับใจมันไม่มอยู่ด้วยกันกายทำอะไรใจมันไม่ใจมันไม่ยอมทำด้วยนะมันจะบอกแก้นะมันจะหนีแต่คนที่ไม่เคยฝึกก็คือว่ามันหนีแ้มันจะเดิดไปไ ก็เดินไปไก่ผู่ไม่ตัดเอีมันคิดเือคิดเรื่องนี้จบก็ไปต่อเรื่องสองเรื่องสองเสก็ไปต่อเรื่องที่สามเนี่ือบางทีมันก็คิดแบบเหมือนคนจมน้ำมากระโดดน้ําเราว่ายน้ําไม่เป็นนะมันก็จมลงไปเลยคิดเรื่องทุกเนี่ยอยู่ดีๆก็เศร้าลงไปร้องไห้อะไรเลยสะสระอืดเ น, นะเกิดไหยหรือคิดเรื่องสุกก็ อยู่ดีๆก็ยิ้มหัวเราะ <c oughs> ออกมาโอนข้นงางๆก็ตกใจอันนี้คือบางทีเนี่ยถ้าเราบางทีไม่เติร์ดไปไครหลายๆเรื่องหรือบางทีเพื่อจมกับเรื่องที่เราหลังคิดนั่นแหละออันนี้คือปัญหาที่ทําไมเราถึงต้องมาฝึกใจมาต้องภาวนาก็คือว่าสติเนี่ยหน้าที่ของสติคือเป็นการคล้ายๆ ดึงดึงจิตที่มันหลงที่มันเพลิไปเนะให้มันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็เจะเรียกว่าความรู้สึกตัวให้เรากลับมาอยู่กับตัวกลับมาดูว่าตัวกําลังทําอะไรกลับมาดูนะกลับมาดูกลับมาบ่อยๆสติจะเป็นตัวที่เราเรียกว่าดึงมันกลับมาหรือว่าที่อยกกลับมานกลับมาให้อยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาว่า มาดูนะร่างกายเธอกำลังทำอะไรอยู่นะให้ใจอยู่ตรงนี้นะนะแต่สติไม่ใช่การบังคับนะนะไม่ใช่บอกว่า ม, มันต้องอยู่กระดหนีไปไม่ไดนะ้อันนั้นจะเป็นการบังคับมันจะเป็นการแบบทําห้ตื่นตระกทำนั่นมันไม่สบายเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนะจิตที่ยังไม่ได้ฝึกใหม่ๆ ม, มันจะเป็นเหมือนธรรมชาติที่มัน มันจะวิ่งนะวิ่งไปทางตาเหมือนจมูกวิ่งตายหรือว่าใจเนี่ยมันจะวิ่งไปเรอยพระพาทธเจ้าท่านเรียบว่าเหมือนทำท่าตรงจิตเหมือนตบดิ่งนะดิงมันอยู่นิ่งเป็นไหมมันเป็นแต่ตอนนอนหลับนะอืนยดิงมันไม่อยู่นิ่งมันก็อกแรกไปนั่นไปนี่เหมือนเด็กนักเรียนนะะอันจะนั่งนิ่งไม่ได้นะปนติกถ้าจะนิ่งก็ต้องมีมีเครื่องมารออใช่ไหมมันเด็กอะ แต่กสมัยนี้พ่อแม่เขาจะเอาอะไรเอาตัวสั์เอาแอปเล็ตมาล่อให้เด็กมันยิ่งเยียบว่าพี่นะแต่มันก็มีบางคนเขาก็ยิ่งด้วยธรรมชาติที่เขาชอบอ่านหนังสือวาดรูปเนอะเล่นเกมอะไรต่างต่มันก็ช่วยที่มันยิ่งได้นะแต่การปฏิบททัติธรรมเราก็หาหาเครื่องให้จิตมันอยู่นะการ ดูลมหายใจก็เป็นเครื่องอยู่ให้จิตมันกลับมานะ่ะมันเถอไปไม่เป็นไรกลับมาดูลมหายใจแต่ถ้าแบบเหมือนก็เทียนต่อใส่รูปแบบที่มันค่อนข้างชัดหน่ยนะอยกายกมือทีนะ้งมือรู้สึกยกมือรู้สึกวางไว้รู้สึกนะเคลื่อนขึ้นรู้สึกนะ่กนะเป็นท่าเป็นท่าให้ใจเรากลับมา กลับมารู้นะกลับมาดูตัวเองว่าจะรำอะไรมันเผลอไปไม่เป็นไรเผลอไปแล้วเมื่อกี้ลืมก็กลับมารู้ใหม่ในท่าที่ทําใหม่แต่การยกมือยกเพียงแค่เพียงแค่เหมือนคอยรู้เฉยเฉยแต่ตรงทเทียนท่านก็ไม่ได้ว่าให้เน้นให้เราต้องแบบต้องบริีกรรมในใจเนาะอ่าไม่ต้องบริีกรรมไม่ต้องพูดในใจว่ายกมือ ก็ขึ้นหรือว่าฝ้ายดึงขวาไม่ต้องกําหนดพุทโทไม่ต้องกําหนดอะไรนะแค่รู้เฉยๆแค่เราดูดูเฉยๆรู้เฉยๆว่าเรากําลังทำอะไรแค่นั้นแหละกลับมาถ้าเผลอไปไม่เป็นไรเผลอไปไม่เป็นไรเผลอไปแล้วก็กลับมาะอันนั้นจิตคือนใจก็จะเผลอไปแต่สติเต็มตัวนึงมันกลับมาพัฒนาการของการฝึกแรกๆก็คือแบบนี้แหละ แล้วก็รู้สึกไปนะรู้สึกไปสันเผลอไปอ่นะเรียกขากลับมาเผลอไปเรียกขากลับมานะเ้าทําแบบนี้ไปๆจิตมันจะคุ้นกับสิ่งที่เราทำต่อไปมันเผลอไปมาาันจะระลึกให้เองว่าจิตมันเผลอไปมันก็จะกลับมาของมันเองนะเหมือนกับคล้าๆเด็กที่ยังไม่รู้จัดรับผิดชอบตัวเองใช่ไนหะมบางทีเขาก็จะ อยากจะเล่นก็นไปเล่นอยากจะกินก็ไกินอยากจะทําอะไรก็ทําไม่รับผิดชอบการบ้านไม่รับไม่รับผิดชอบงานที่ตัวเองต้องทำแต่เด็กที่มีคแวแมรับผิดชอบเออเขาจะรู้ว่าการบ้านก็าจะยังทำไม่เสร็จงานก็จะยมีอยู่นะเขาก็จะทํางานของเขาให้มันเสร็จใช่ไหมไม่ใช่เผลอไปเล่นจนกระทั่งดืมเวลานะทําการทํางานอันนี้ก็เหมือนกับจิตของเราก็เหมือนกนะัน ส่วนในิตมันไม่ค่อยอยากอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะอะไรบางทีมันอารมณ์ข้างนอกนะมันชวนให้มันเหมือนมันชวนให้รู้สึกสนุกสนานนะหรือบางทีไม่แต่อรมเศร้าะมันก็ชวนกินนะเกอนะมันไม่ค่อยอยากอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะว่าอะไรมันไม่มันไม่เคยชินนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะดื่มตัวไปนอกตัวบ่อยๆมันเลยยังไม่ชิน การปฏิบัติธรรมก็คือเป็นการสร้างนิสัยใหม่ให้กับจิตนะดนะังนั้นไม่ต้องตกใจว่าทําไมทําแล้วมันไม่สงบทําแล้วมันก็หลงไปอีกเพราะนิสัยเก่าส่วนหญ่มันเป็นแบบนั้นนิสัยเก่าคือหลงไปคิดหลงไปจนกับอามณ์นะหรือลึกเนือเน้อดึงตัวอันนี้คือนิสัยเก่าของพวกเราหลายคนนะแต่ท่านคนที่เคยฝึกมาบ้างแล้ว เราฝึกต่อเนื่องมาหลายปีแล้วเนะี่ยเราจะมีนิสัยใหม่นิสัยใหม่คืออะไรนิสัยที่รู้ตัวนะถ้าเราฝึกนิสัยใหม่ที่จะรู้ตัวนะตอนนั้นไม่ไแรกนะมันจะฝืนความเคยชินนะมันคนขี้เกียจนะแต่มาฝึกให้ใจเยันให้มีวินัยเนี่ยมันก็ออยังอยากขี้เกียจมันก็ไม่ชอบอไม่ชอบต้องใยันมันรู้สึกไม่สบายรู้สึกเหนื่อย แต่พอทําไปสักพักหนึ่งเออมันจะเริ่มคุ้นนักเออเริ่มออยอมรับมันได้เรื่อยๆจิตของเราก็าเหมือนกันตอนฝึกใหม่ๆมันจะไม่คุ้นกับความรู้ตัวมันจะไม่คุ้นกับการมีสติมีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ทําไปเรื่อยมันจะเป็นการสร้างนิสัยใหม่ให้กับตัวออพอเราได้นิสัยใหม่เนี่ยการรู้ตัวมันจะง่ายขึออ้นเราจะเห็นตัวเอง บ่อยขึ้นพอเราเห็นตัวเองบ่อยขึ้นก็กหัวมากขึ้นจิตมันจะมีสมาธนะิจิตจะมีความตั้งมั่นนะแต่ก่อนที่มันเคยหลงไปคิ ด, ด ย, ยาวๆมันก็จะหลงพลาดงนะแต่ก่อนเคยหลงมากเรื่องก็หลงเรื่องน้อยลงหรือนะบางขณะก็มีบางช่วงที่ไม่หลงเลยนะมันก็จะมีสมาธิจะจ่อกับสิ่งที่ทำ เมื่อเราเจจจอในการรู้ตัวไปบ่อยธรรมะมอยู่ที่ไหนธรรมะอยู่กับตัวเรานะพระพุทธเจ้าอ่ะแต่ก่อนท่านคิดว่าธรรมะต้องไปหาตักอุบายอาจารย์นะท่านออกขวนแล้วก็ยังต้อไปหาเรียนกับตาบทอือสีเข้าชาน อ, อกชาแต่ไปเรียนแล้วมัอนก็อย่างแต่ไม่ใช่ทานัลทุกนะ แต่ท่านมาเรียนรู้ที่ตัวตัวเองนี่แหละธรรมะคือตัวของเราเองนี่แหละมันอยู่ในตัวของเราเองการรู้สึกตัวก็คือการกลับมากลับมาดูตัวเองบ่อยๆเมื่อเราเห็นตัวเองบ่อยๆเราจะเข้าใจนเข้าใจว่าอะไรคือตัวตนที่แท้จริงอะไรไม่ใช่ตัวตนนมันจะเห็นตรงนี้ยเห็นอะไรทั้งดีทั้งไม่ดีในตัวเราเนียแหละเห็นแล้วมันก็จะแก้ได้มันก็จะละได้คุณก็จะเข้าใจได้เพราะนั้น การรู้สึกตัวเป็นคีย์เบิร์ดทำให้เรากลัมาเห็นเห็นปิ๊กที่เกิดขึ้นเห็นว่าเป็นอะไรนลองทําดูนะเราจะเห็นตัวเองเป็นแบบไหนเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะเข้าทันตัวเองเร็วขึ้นนะแล้วเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นเข้าทันตัวเองบ่อยขึ้นนั่นะเราจะเห็นได้ว่าธรรมชาติมันเป็นแบบไหนนะ เราลงไปเป็นแบบไหนเนี่ยอยากให้ลองอยากให้เราลองทําดูเนา ะ, ะไม่ต้องใช้ความคิดมากนะลองลองเปลี่ยนวิธีต้องเปลี่ยนวิธีเรียนรู้ไนมะ่เหมือนเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้นวะิธีกระบวนการเรียนรู้ที่เราผูกผูกฝาดบางทีมันพยายามพยายามคิดนะพยายามคิดไม่เข้าใจคิดแบบมีเหตุมีผลคิดแบบหาคำตอบลงหน้า นะท่านทำแบบนี้นะไปเรื่อยที่จะได้อะไรกอนมานะพยายามเป็นเปงระเวการความคิดหรืออรากฏการ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็พยายามอธิบายด้วยเหตุผลด้วยหักกาที่เราเชื่อด้วยทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่แต่การภาวานาเนะี่ยลองทำไปก่อนนะ ท, ำนะทำทาทีนี้ก็คือนะลองมีสติรู้สึกตัวไปก่อนมันจะเกิดความเข้าใจ ปการต่างๆโดยที่เป็นการเรื่องรู้ด้วยตัวของเราเองนะโดจการบอกเป็นปฏิจจตังนะปฏิจจตังรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าตอในนี้ยใจมันเป็นแบบไห น, ใ จ, นหใจมันฟุกหรือว่าใจมันมีฟุบเนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเราจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อา ก, การหรือว่าเป็นเราที่เข้าไปฟุบไม่ใจะ พอเราเห็นตอนนี้ไปเราจะเกิดความมั่นใจเองเลยว่าทางที่เราทําเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกมันจะบอกตัวตรงเองนะไม่ต้องรอครูบาอาจารมามาบอกมารับรองว่าเธอทําถูกแล้วนะเธอทําดีแล้วคล้ายๆเหมือนกับเวลาเราทำข้อสอบนะเรามั่นใจอยากได้เราทำถูกเนี่ยไม่ต้องรอเฉลยก็ได้เส้นมั่นใจและเส้นทาถูกนะไม่ต้องรอครูบาอาารยมา มาเฉยก็ได้หรือเราทําผิดเราก็รู้ตัวว่าเราทําผิดเราก็จะแก้ไขตัวเด็นได้นั้นสตินะสติสัมปชัญญนะเนี่ยมันจะเป็นตัวคอยให้เรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็จะเป็นตัวไปเตือนนะว่าเราลงไปนะว่าเราเผลอไปนะจากการจากปัจจุบันการทำที่เรากาลังทําอยู่นะก็อยากให้เราได้ลองฝึกตัวนี้ดูมาแต่แค่ สองสามวันนะที่จริงก็ไม่เต็มสองวันดีได้รับนะแต่มันก็อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเราไปปลูกต้นไม้โยมนะไปปลูกต้นไม้บางทีก็อาจจะใช้เวลาวแรกๆตอนขุดรุม้มตอนเอาก้าวไปลงดินตอนปกดินลดน้ำสักหน่อยเนะี่ยก็อาจจะใช้เวลาไม่นานนะแต่มันต้องอาศัยเวลาขวดมันจะติดขวดมันจะโตเนะี่ยก็วัวมันจะออกดอกออกผลก็นานหน่อยนะ เราฝึกสลับบําคนจะเป็นครั้งแรกนะก็เหมือนเราเอาเอาเมล็กพันธุ์หรือเอาต้นไม้มาลงในดินนะมาปลูกให้มันขึ้นมาแต่ต้องอาศัยความเพียนนะความเพียนคือทําให้ปั๊บมากหน่อยนะหรือเพียนนี้ก็คือไม่ท่อยถอยนะบางทีมันก็ทําไปแล้วก็ง่วงบางทีทําแล้วก็สงสัยบางทีก็ทําแล้วก็เบืออ่านะ เป็นเงินทุกคนนะแต่ทําแล้วบางคนก็เลิกไปเลยนะบางคนพอแล้วก็หนีไปเลยไปทำอะไรสนุกสนุกดีกว่านะบางทีเราเคยเพียนทําตรงนี้ไหมนะเคยเพียนเปลี่ยนตัวเองไหมเคยเพียนในการแก้ไขหรือว่าเข้าใจตัวเองไหมเนะี่ยลองทําตรงนี้ดูนะเราจะเห็นตัวเองชัดขึ้นซึ่งมันก็อ า, าจสองสามวันก็อาจะเป็นเหมือน การเริ่มต้นนะคือหลายคนทํามาบ่อยแล้วก็เหมือนการมามามาทำให้มันต่อเนื่องขึ้นนาะเพราะว่าบางทีเราทําการทํางานบางทีก็การเจริญสติมันก็บางทีก็รู้บ้างบางทีก็โง่บ้างเนาะว ม, มาปึกตอนนี้ก็เหมือนได้อยู่ในรูปแบบที่มันมากขึ้นนะไปคูดน้อยลงนะ่ะได้ใช้ความคิดน้อยลงนะเนี่ยมันจะทําให้จิตมันว่างขึ้นนะวางความคิด อ่ว า, างวิธีคิดต่งตางๆที่เราเคยเคยวางไปก่อนต้องใช้การทําะต้องทําดูแล้วเราจะเห็นผละหรือว่ายังไม่เห็นผลอย่างน้อยก็ได้ชิมอได้รู้นะกหมือนเรามีอยหันเมื่อเราไปต่างประเทศอ่ะอันนี้เหมืนอเนบบอรอเราไม่รนะู้หรอกว่ารทชาตเป็นแบบไหนอร่อยหรไม่อร่อยตรงนั้นเราได้ชิมะชิมไปนะเราถึงจะรู้ว่าเขาาติเป็นแบบไหน แต่ถ้าเราดูเฉยเฉยเนี่ยนะมันยังมันก็ยังไม่เข้าใจนะแต่การภาวนาบางทีก็มันก็วันสองวันสามวันบางีอาจจะยังไม่เห็นผลถ้าตับคนใหม่ๆนะบางทีเพราะว่าความเคยชินกับเก่าที่เราทำเนี่ยมันก็มากอาจจะฟุ้งร้างมากหน่อยแต่ลองถ้าคนใหม่มาอยางให้อาศัยความตั้งใจที่มากเป็นพิเศษ ห, หน่อย ตั้งใจในเวลาเราทำอะไรจะเดินก็ดียกมือก็ดีหรือว่าทำกิจต่างหรืองใส่ความตั้งใจเข้าไปตั้งใจทำตั้งใจทำตั้งใจอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าขอสอดเกตตัวเองนะถ้ามันตั้งใจแล้งเครียดเดินไปก็พตกสักหน่อยพักสักหน่อยพันพายลงนิดนึงนี่คือแบบใหม่ๆแบบนั้นแต่ถ้าเก่าๆล้วเออ เพิ่มแต่ความรู้สึกตัวนลละครับก็ไมต้องตั้นใจมากให้รู้สบายสบายรู้เบานะเบานเถือไปก็ไม่เป็นไรเถือไปก็รู้มันนะก็ทําไปนะให้เราสังเกตดูตัวเราเองนะถ้าทํำเราเครียดก็ผ่อนคลายถ้าทำเราสงสูงขั้นมากก็ให้ตั้งใจตั้งใจสักหน่อยนกะำหนดสักหน่อยนะแล้วเราทำไปีรื่อ ย, เ ร, อยเราจะเห็นผลเองนะบางที ทำไปแล้วต่อไปเจะเข้าใจวนะ่าที่จริงการภาวนาเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินไปนะหรือภาวนาบางาทีก็ไม่ต้องทำแค่1ิบสี่ธาตุแค่เรินจงงกรมนะที่จริงโอ้เราจะทำอะไรมันก็รู้ตัวได้ก็ทําทำอะไรก็เห็นจิตเห็นใจของเราเองเห็นแล้วก็ถ้ากิเลสเกิดขึ้นมาก็ยิ้มยอมันได้ไม่ผ่านความมันก็ได้นะแต่ก่อนนะ ม, มันมาดอกให้เราคิดเราก็คิดมันมาหลอกให้เราโกรธเราก็โกรธมาหอกให้เราพอใจเราก็พอใจอ่แต่ต่อไปเราเห็นมาแล้วืเห็นแล้วก็เลือกใต้นะท่านไม่เห็นในเลือกไม่ได้นะไม่มีสิตเลือกนะแต่ถ้าเห็นมีสิทธิ์เล er> ือกใต้นะอันนี้เลือกใต้ก็อะไรจิตมันเป็นจิสระจิตมันเป็นอิสระแต่การครอบงําจิตมันเป็นอิสระ จากความกังวลต่างๆเมื่อมันติดอิสระแล้ว่มันจะเกิดความรู้สึกเบาโล่งโสบายนะไม่เป็นอะไรนะมันก็เป็นเพียงแค่อาการจิเฉยนะนี่คือสภาวะที่มันจะเกิดขึ้นนะจิตใจเราจะถ่ายถอนนะถ่ายถอนออกจากความเป็นธาตุของกิริส105ัหา108ออเราจะเป็นธาตุแ บ, บินั้นตลอดไปแล้วชีกิริตนี้ อาจะเป็นท่านต่อไปพบหน้า อ, อีกพบผี่ชาจแน่องนะเรามาทำตังนี้ดูนะมันจะพบทชาตนะิต่างๆเหมือนตั้งไปเรื่อยๆนะนะให้ลองทำเนาะเดี๋ยวก็จะให้อาจารย์ตุ้มท่านแนะนำนะักศึรับผู้ใหม่ที่ยังไม่เคยฝึกนะแบบนี้นะนะแต่คนเก่าที่เคยฝึกแล้วก็ก็ใช้โอกาสมานะ ปฏิบัติกเนาะแต่นั่งก็ได้แต่เดินก็ได้นะข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้นะถ้าประมาณสองทุ่มเขาไปกลับกลับขึ้นมาตอนนี้อีกทีหนึ่งเนาะสำหรับผู้เก่าใจอ่อนป่านของเราคุณใหม่จะมาเรียนรู้นะเปิดใจนะต้องทําสิ่งใหม่แต่แน่นอนนะไม่ได้ไม่ได้ทําชั่วไม่ได้ชั่วในหลวงองค์ไหนแน่นอน <c oughs> อืม mm.